สีราหุนวัตถุว่าด้วยพระราหุลกุมารบรรพชาพระราหุนกุมารทรงผนวดเป็นสมณเณรข้อหน5ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกรุงราชครึกตามพระธยาศัยแล้วได้เสด็จจาริกไปทางกรุงกบิลพัทเสด็จจาริกไปโดยลําดับจนถึงกรุงกบิลพัททราบว่าพระองค์ประทับอยู่ณนะ นิโครธารามกรุงกบิลพัทแคว้นสักกครัันเวลาเช้าทรงอันตรวาศกแล้วถือบาทและจีวรเสด็จไปยังพระนิเวศพระเจ้าสุโทธทนะสักยะประทับนั่งณนะพุทธอาที่ได้ปูลาดไว้ขณะนั้นพระเทวีมารดาพระราหุลกุมารได้ทรงมีพระสวรีว่าณนะราหุลสมณะนั้นเป็นบิดาของเจ้า เจ้าจงไปทูลขอทรับมรดกเถิดพระลาหุนกุมารจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคประทับยืนนเบื้องพระพัคพางกราบทูลว่าข้าแต่พระสมณะพระชายาของพระองค์เป็นสุขพระผู้มีพระภาคได้เสด็จลุกจากอาสนะแล้วเสด็จกลับไปพระกุมารก็เสด็จติดตามไปเบื้องพระปรเสิดังพางกราบทูลขอว่า รรรรกกพระสมณะได้โปรดประทานทรัพย์มรดกแก่หม่อมฉันพระสมณะได้โปรดประทานทรัพย์มรดกแก่หม่อมฉันลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรียกท่านพระสารีบุตรมารับสั่งว่าสารีบุตรถ้าอย่างนั้นเธอจงให้ราหุลกุมารบรรพชาเถิดท่านพระสารีบุตรทูล ถ, ถามว่าข้าพระองค์จะให้ราหุลกุมารบรรพชาอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคทรงแสดงพมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตการบรรพชาเป็นสมบเรณ์ด้วยไตรสรนาคม